ส, สัมผัสสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิบและเพื่อนสนิทของจิบเองย้อนกลับไป12ปีที่แล้วตอนนั้นจิบอยู่ชั้นมอสองผมสั้นคอสองจิบมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเธอชื่อหนึ่งหนึ่งเป็นคนสวยจะมีเพื่อนชายมาจีบแทบไม่ขาดสายภายนอกหนึ่งจะเป็นคนเงียบ ไม่เคยพูดกับใครแต่หนึ่งจะพูดเก่งมากเวลาอยู่สองคนกับจิบจิบกับหนึ่งสนิทกันมากหนึ่งมักจะมานอนบ้านจิบอยู่เป็นประจำบางทีมาอยู่ด้วยกัน1ถึงสองอาทิตย์เลยก็มีแล้วก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นทำให้หนึ่งไม่ได้ไปเรียนต่อมสามเธอหายไปไม่ติดต่อมอม่เลยช่วงนั้นจิบก็ติดต่อไปทั้งเบอร์โทรศัพท์ของแม่หนึ่งและเบอร์หนึ่งแต่ติดต่อไม่ได้เลย จิบจึงให้พ่อของจิบไปถามน้าชายของหนึ่งว่าหนึ่งเป็นอะไรน้าชายหนึ่งก็บอกเพียงแต่ว่าหนึ่งไปอยู่สุขโขทัยกับตายายจิบเลยคิดว่าหนึ่งคงโกรธอะไรจิบหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นหนึ่งคงโทรกลับมาหาจิบซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าหนึ่งจะลืมเบอร์โทรศัพท์ของจิบเมื่อเวลาผ่านไปจิบก็ค่อยๆเลิกคิดเรื่องนี้เพราะจิบมีแฟนก็แทบไม่ได้นึกถึงเรื่องหนึ่งอีกเลย จนนึกถึงก็แค่เมื่อถึงวันเกิดของหนึ่งหรือไปในที่ที่เคยไปด้วยกันแฟนของจิบก็รู้จักหนึ่งเพราะเป็นเพื่อนที่อยู่ชั้นเดียวกันแต่อยู่คนละห้องจนเวลาล่วงเลยผ่านมาสองปีจิบขึ้นชั้นมสี่จำได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์จิบอยู่บ้านคนเดียวเพราะพ่อแม่และยายไปทำงานตอนนั้นจิบกาลังนอนดูทีวีอยู่ดีๆก็มีคนมาเรียก จิบก็ลุกขึ้นแล้วรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าเป็นแม่ของหนึ่งจิปแปลกใจมากเพราะในเวลาสองปีนี้จิบไม่ได้เจอแม่หนึ่งเลยโทรไปหาก็ไม่ติดทั้งทั้งที่นาชายหนึ่งบอกว่ามีแค่หนึ่งที่ไปอยู่สุขโขทยัยแม่กับพ่อของหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพซึ่งบ้านจิปก็ไม่ได้ไกลกันมากแต่จิปก็ไม่เคยได้เจอเลยจนมาถึงวันนี้ แม่หนึ่งบอกจิบว่าให้ไปหาหนึ่งหน่อยหนึ่งขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วแต่ไม่ยอมคุยกับใครเลยตอนนั้นจิบดีใจมากเพื่อนจิบกลับมาแล้วจิบรีบปิดบ้านแล้วซ้อนมอเตอร์ไซค์แม่หนึ่งไปที่บ้านของหนึ่งเมื่อไปถึงบ้านจิบก็รู้สึกแปลกๆเป็นความรู้สึกกดดันยังบอกไม่ถูกแต่ก็คิดว่าอาจเป็นเพราะจิบไม่ได้มาที่นี่นานแล้ว จากนั้นก็เดินเปิดประตูเข้าไปในบ้านภาพแรกที่เห็นในตอนนั้นคือหนึ่งนั่งหันหลังอยู่ผมยาวขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็ค่อยๆหันหน้ามาหน้าของหนึ่งนั้นขาวมากขาวแบบทาแป้งขาวๆแล้วปากทาสีแดงสดเมื่อจิ๊บเห็นก็ขนลุกขึ้นมาทันทีไม่รู้ทาไมอยู่ๆในหัวก็คิดเรื่องผีขึ้นมาแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่า นั่นมันเพื่อนจิบจะเป็นผีไปได้ยังไงแล้วนี่ก็ตอนเที่ยงวันผีไม่มีหรอกจิบเดินเข้าไปคุยแต่ถามอะไรมันก็ไม่เคยตอบจะยิ้มอย่างเดียวจิบคิดว่าหรือมันจะจำจิบไม่ได้ตอนนั้นคิดได้แค่นั้นจริงๆแล้วจิบก็คิดว่าถพามันไปที่ที่มันเคยไปมันอาจจะจำได้และดีขึ้นจิบก็เลยชวนมันไปที่บ้าน แม่มันก็อนุญาตเลยพามันเดินกลับมาบ้านด้วยกันทางกลับบ้านจิบจะเป็นสะพานเล็กๆที่รถมอเตอร์ไซค์สองคันวิ่งผ่านกันได้สองข้างทางเป็นสวนมะพร้าวสลับคลองออกแนวชนบทหน่อยซึ่งบ้านจิบจะอยู่ตรงหัวโค้งพอดีติดกับสะพานเลยจะมีแผ่นไม้ทําเป็นทางเดินเชื่อมกับสะพานมีประตูรั้วลูกบิดแล้วก็ล็อกด้วยกุญแจอีกรอบหนึ่ง วันนั้นพอมาถึงหน้าบ้านก็ไขแม่กุญแจกว่าจะไขได้ก็ใช้เวลานานมากทั้งๆ ท, ที่ปกติจิบใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำาพอไขเสร็จก็ต้องมาไขาลูกบิดอีกรอบคราวนี้ไขเท่าไหร่ก็ไขไม่ออกเลยหันมาบอกหนึ่งว่าเดี๋ยวจิบกระโดดสะพานเข้าไปก่อนแล้วหนึ่งกระโดดตามมาก็แล้วกัน ที่ต้องกระโดดสะพานเข้าไปก็เพราะว่าจะได้เดินเลาะสวนแล้วปีนเข้าข้างบ้านอีกทีหนึ่งซึ่งด้านล่างของสะพานจะเป็นดินความสูงระดับอกเท่านั้นเพราะจิบกระโดดไปก่อนมันก็ใส่หน้าว่าไม่โดดจิบก็ตะโกนขึ้นว่ากระโดดเลยไม่ต้องกลัวมันก็สายหน้าจิบถามกลับไปอีกว่าเป็นอะไรกลัวอะไรมันก็ตอบมาว่าเขาไม่ให้ลง ตอนนั้นจิบเริ่มรู้สึกร้อนแล้วแดดก็เริ่มแรงเริ่มโมโหก็บอกมันไปว่าใครไม่ให้ลงกูเป็นเจ้าของที่กูจะให้ใครลงก็ได้มันก็ถามไมากว่าแล้วเข้าบ้านได้ไหมจิบก็ตอบไปแบบไม่ต้องคิดเพราะมันเป็นเพื่อนจิบทำไมจะไม่ได้ละ่ะบ้านกูก็เหมือนบ้านมึงอยู่ๆจิบก็นึกขึ้นมาได้ว่าเปิดหน้าบ้านให้มันเข้าก็ได้ ก็เลยเดินเลาะสวนปีนเข้าข้างบ้านไปพอเดินไปหน้าประตูบ้านที่ติดกับสะพานเปิดลูกบิดออกเปิดประตูแล้วเดินออกไปแต่มันว่างเปล่าหนึ่งไม่อยู่แล้วจากนั้นจิ๊บก็ปิดประตูหน้าบ้านเข้าบ้านมาแบบงงๆแต่พอหันตัวกลับก็สะดุ้งตกใจเพราะหนึ่งมันมายืนอยู่ข้างหลังแล้วจิ๊บก็ถามมันว่า มาตอนไหนวะกระโดดตามกูลงมาเหรอแต่มันก็ไม่ตอบแล้วจิ๊บก็ชวนหนึ่งขึ้นบ้านซึ่งบ้านจิ๊บนั้นจะเป็นบ้านไม้สองชั้นมีบันไดยอยู่นอกบ้านเปิดประตูเข้าไปชั้นบนจะเจอหิ้งพระหิ้งใหญ่มากเพราะยายจิ๊บรับดูดวงและชอบสะสมพระบ้านนี้จะมีสองห้องนอนคือห้องนอนพ่อกับแม่และห้องยายกับจิ๊บ ส่วนชั้นล่างจะมีห้องน้ำหน้าห้องน้ำจะเป็นโซฟามีห้องน้ำหนึ่งห้องจิบพามันขึ้นบันไดตอนนั้นจิบหนักประมาณ75กิโลก ร, รมัมขึ้นลงบ้านทั้งวันไม่เคยมีเสียงจิบเดินนำหนึ่งอยู่สักพักก็ได้ยินเสียง จิบหันไปดูตามเสียงก็เห็นหนึ่งกำลังเดินตามขึ้นมาทุกครั้งที่เท้าหนึ่งเหยียบบันไดจะมีเสียงดังตลอดซึ่งดูแล้วน้ำหนักของหนึ่งไม่น่าจะเกิน50กิโลกรัมจิบเริ่มคิดว่ามันแปลกแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกยังกลางวันอยู่พอขึ้นมาบนบ้านจิบเรียกหนึ่งมานั่งหน้าทีวีซ้ายมือจะเป็นหิ้งพระหิ้งใหญ่ ขณะที่จิ๊บกำลังจะเปิดทีวีอยู่ดีๆหนึ่งก็ยืนขึ้นแล้วกระทืบเท้าข้างหนึ่งจากนั้นตะโกนเสียงดังว่ากูร้อนจิ๊บตกใจเสียงที่มันตะโกนแล้วก็ตกใจที่อยู่ๆมันยืนขึ้นกระทืบเท้าตอนนั้นจิ๊บเริ่มรู้สึกกลัวคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทจิ๊บพามันไปนอนในห้องแม่ เพราะห้องจิบยังไม่ได้เก็บที่นอนเลยแล้วก็พยายามคิดในแง่ดีว่าตรงหน้าพระอากาศจะร้อนเพอะให้หนึ่งนอนเสร็จจิบก็แอบออกไปโทรหาแม่ของหนึ่งเพื่อให้แม่หนึ่งมารับหนึ่งกลับบ้านเพราะจิบรู้สึกกลัวจิบพยายามโทรหาแม่หนึ่งโทรหาแม่จิบโทรหาแฟนจิบแต่โทรหาใครไม่ติดเลยในโทรศัพท์เสียงดังแบบสายไม่ว่าง จึงเดินกลับเข้ามาในห้องแม่คิดว่าหนึ่งมันคงหลับแต่พอเดินเข้าไปไกลก็เห็นมันลืมตาอยู่ตาของหนึ่งนั้นโตมากๆซึ่งกำลังเหลือบมองจ้องอยู่ที่คือบ้านมองแบบตาขวางจิ๊บมองตามสายตาที่หนึ่งจ้องแต่จิ๊บก็ไม่เจออะไรแล้วจิ๊บก็ถามมันว่าจ้องอะไรวะกูกลัวนะเว้ยหนึ่งไม่กระพริบตาเลยจ้องอยู่อย่างนั้นตลอด ขนาดจิบเอามือไปจับหัวมันให้หันหน้ามาทางจิบหัวมันหันมาก็จริงแต่ตาก็ยังเหลือบมองจ้องอยู่ที่คือบ้านแล้วพูดพึมพำว่าหิวหิวตอนนั้นจิบกลัวมากบอกมันว่าเดี๋ยวกูออกไปเอาน้ํามาให้นะพอออกไปนอกห้องจิบก็พยายามโทรหาแม่จิบโทรหาแม่หนึ่งโทรหาแฟนจิบโทรหาทุกคน แต่ก็ไม่ติดเลยทั้งทั้งที่คลื่นโทรศัพท์ก็ขึ้นเต็มจิบตัดสินใจลงไปหยิบน้าที่ตู้เย็นชั้นล่างตอนอยู่ข้างล่างก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงคนเดินไปเดินมาบนบ้านปกติตอนที่มีคนอยู่บ้านบนบ้านจะไม่มีเสียงแบบนี้พอสักพัก ก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างบนเป็นเสียงเหมือนของหนักๆใหญ่ๆตกลงพื้นตอนนั้นจิ๊บเป็นห่วงเพื่อนรีบวิ่งขึ้นไปดูแต่พอขึ้นไปบนบ้านก็เห็นหนึ่งนอนอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรผิดปกติพอจิ๊บเดินเข้าไปใกล้นอกจากสายตาที่หนึ่งจ้องมองอยู่บนขื่อที่เดิมแล้วลิ้นของหนึ่งก็แลบออกมายาวมาก สาบานได้เลยว่ายาวมากๆตอนนั้นจิบกลัวมากอยากจะวิ่งหนีไปเลยด้วยซ้ำแต่ก็เป็นห่วงเพื่อนด้วยความที่เป็นเด็กสายวิตมันทำให้จิบพยายามคิดหาเหตุผลต่างๆตอนนั้นก็นึกถึงลมบ้าหมูขึ้นมากลัวหนึ่งจะกัดลิ้นตัวเองจิบรวบรวมความกล้าเท่าที่มีเข้าไปประคองหนึ่งขึ้นมาแล้วใช้มือดันที่ใต้ลิ้นหนึ่งเข้าไป ตอนนั้นจิบร้องไห้ด้วยความกลัวมากที่ต้องทําแบบนั้นปากร้องตะโกนให้คนช่วยแต่ว่าบ้านสวนแต่ละหลังนั้นจะอยู่ห่างกันมากแล้วตาหนึ่งมันก็โตขึ้นเรื่อยๆจ่องไปบนคือบ้านตลอดลิ้นก็ยาวออกมาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงหน้าอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนจิบมีความรู้สึกจะเป็นลมแขนขาหมดแรงแล้วหนึ่ง ก็หันหน้ามามองจิบวินาทีนั้นจิบเข้าใจเลยว่าคนที่ขนลุกตั้งแต่ปลายขาขึ้นมายันหัวเป็นยังไงตอนนั้นจิบยังประคองมันอยู่จิบบอกมันทั้งน้ำตาว่ากูรักมึงนะเว้ยกูเป็นเพื่อนมึงอย่าทำให้กูกลัวสิสักพักจิบก็ได้ยินเสียงเดิน จิบหันมองออกไปในทันทีแล้วประตูบ้านก็เปิดออกคนคนนั้นคือยายของจิบเองยายจิบถามว่าเกิดอะไรขึ้นจิบหันกลับมามองที่หนึ่งลิ้นมันหุบเข้าไปแล้วแล้วหนึ่งก็มองขึ้นไปจ้องบนคือบ้านเหมือนเดิม ยายจิบเดินเข้ามาถามหนึ่งว่าเป็นใครเพราะยายจิบเป็นคนมีเซนในเรื่องแบบนี้แล้วเดินไปหยิบประคำหน้าพระมาท้องอะไรสักอย่างบอกจิบให้จับหนึ่งไว้เพราะหนึ่งเห็นประคำมันก็ดิน้นดิ้นแรงมากยายจิบสวมประคำที่คอของหนึ่งแล้วมันก็กรีดลันบานหนึ่งก็กลับมาเป็นคนเดิม หนึ่งที่เป็นเพื่อนจิบมันพูดกับจิบว่าจิบจิบช่วยกูหน่อยตอนนั้นดีใจมากคิดว่ามันจําจิบได้แล้วมันขอให้จิบช่วยมันถอดประคำให้มันบอกว่าร้อนอึดอัดเอามาใส่ให้มันทำไมให้จิบช่วยถอดออกแต่ยายจิบบอกว่าห้ามถอดรีบโทรไปหาแม่มันจิบก็บอกหนึ่งว่าอย่าเพิ่งถอดนะอดทนไว้ก่อน แล้วให้ยายจับหนึ่งไวจากนั้นจิ๊บก็วิ่งไปหยิบโทรศัพท์โทรหาแม่หนึ่งอีกครั้งครั้งนี้โทรติดแล้วจิ๊บก็บอกให้แม่หนึ่งรีบมาจิ๊บกลับไปดูหนึ่งต่อมันมองยายจิ๊บตาขวางแต่ยายจิ๊บพองอะไรก็ไม่รู้อยู่ตลอดมันหันมาขอร้องจิ๊บแต่จิ๊บก็ไม่กล้าหอดประคำให้สักพักแม่หนึ่งก็มาถึงบ้าน คำแรกที่เขาพูดกับจิบและยายคือเอาอะไรมาใส่ให้ลูกกูแล้วก็เข้ามาทอดประคำปลาทิง้งจากนั้นก็ทะเลาะ ก, กับยายจิบส่วนหนึ่งนั้นนั่งหันข้างให้จิบจิบก็นั่งมองหนึ่งอยู่มันนั่งนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามาสแสยะยิ้มให้จิบมันเป็นภาพที่สยองมากสายตาคุงหนึ่งนั้นจ้องจิบตาไม่กระพริบและแม่หนึ่ง ก็ขอให้จิบไปส่งหนึ่งกับแม่ที่โรงพยาบาลจิบตอบตกลงแต่ก่อนไปหนึ่งก็ขอจิบเข้าห้องน้ำจิบก็พาไปปกติคนเข้าห้องน้ำจะต้องได้ยินเสียงฉี่แล้วลาดน้ำแต่จิบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสักพักหนึ่งมันก็เดินยิ้มออกมาจิบก็ไม่กล้าถามอะไรแล้วจิบก็พามันไปส่งโรงพยาบาลเมื่อหมอตรวจเสร็จก็บอกว่า มันเป็นลมชักคงจะดีถ้าเรื่องจบแค่นี้แต่มันยังไม่จบไม่กี่วันถัดมายายจิบก็เสียชีวิตทั้งๆ ท, ที่ร่างกายแข็งแรงมากยายเสียชีวิตที่โซฟาหน้าห้องน้ําหมอระบุว่ายายจิบหัวใจวายเฉียบพลันตอนนั้นจิบกับคนที่บ้านงงมากเพราะยายจิบไม่ได้เป็นโรคหัวใจแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดี มันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจจิบจนถึงวันนี้หรือจริงๆแล้วเป็นจิบที่ทำให้ยายเสียชีวิตเพราะจิบพาอะไรก็ไม่รู้เข้าบ้านหลังงานศพยายจิบ ป, ประมาณหนึ่งเดือนวันเสาร์จิบอยู่บ้านคนเดียวตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นจิบได้ยินเสียงคนมาเรียกที่หน้าประตูจิบจําเสียงนี้ได้มันเป็นเสียงของหนึ่งจิบรีบลุกไปเปิดประตู แล้วก็เห็นเป็นมันจริงๆหน้าขาวปากแดงหนึ่งแสยะยิ้มให้จิบถามไปว่ามาได้ยังไงเพราะทุกทีแม่หนึ่งจะมาส่งแล้วจิบก็ไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยแต่มันถามจิบกลับมาว่ายายตายแล้วเหรอพร้อมกับมองจ้องขึ้นไปบนบ้านแล้วพูดว่าเข้าไปได้ไหมจิบไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยตอบไปว่าได้ มันเดินขึ้นไปบนบ้านเสียงเท้าหนักเหมือนเดิมแล้วเดินเข้าไปในห้องจิบตอนนั้นจิบกลัวมากๆจิบรีบไปเปิดหน้าต่างทุกบานแล้วแอบมองเข้าไปในห้องเห็นมันกำลังจ้องขึ้นไปบนขื่อบ้านแล้วก็หัวเราะ <c oughs> ตอนนั้นเหมือนกับว่ามันรู้ตัวว่าจิบแอบมองมันอยู่แล้วมันก็หันหน้ามาจ้องตาจิบแล้วหัวเราะ อ, อีกจิบตกใจมากหันหลังแล้วกําลังจะวิ่งลงบันไดแต่ก็มีมือมาจับแขนไว้จิบช็อกสะดุ้งสุดตัวแล้วหลับตากรีดร้องร้องไห้โวยวายผีผี ผ, ผีจากนั้น ก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าเป็นอะไรเป็นอะไรจิบถึงลืมตาขึ้นแล้วก็รู้ว่าเป็นแฟนจิบที่เพิ่งกลับมาจากเรียนรอดอจิบจึงชี้เข้าไปในห้องที่หนึ่งนอนอยู่เมื่อแฟนจิบเดินเข้าไปดูก็ถามหนึ่งว่ามาทำไมหนึ่งไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินออกไปทางประตูก่อนจากไปยังหันมายิ้มให้กับจิบตอนนั้นจิบแอบอยู่หลังแฟนตลอด เชื่อไหมว่าไม่มีเสียงคนเดินลงบันไดเลยมีแต่เสียงตอนที่หนึ่งมันเดินออกไปแล้วประตูปิดแฟนจิ๊บก็เปิดประตูตาหมออกไปดูแต่ก็ไม่เจอหนึ่งแล้วพอพ่อกับแม่กลับบ้านมาจิ๊บก็เล่าให้ท่านฟังแล้วพ่อก็พาไปจุดหูบบอกเจ้าที่ว่าอย่าให้มันเข้ามาได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจิ๊บก็ไม่เคยเจอหนึ่งอีกเลยแต่จะได้ยินจากเพื่อนๆว่า เห็นหนึ่งมหาจิบที่หน้าบ้านบ่อยๆส่วนตอนนี้จิบย้ายออกมาจากบ้านหลังเดิมประมาณ4ปีแล้วบ้านเดิมก็รื้อออกหมดแต่ก็ยังมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเห็นหนึ่งอยู่แถวหน้าบ้านเก่าหลังจากนั้นพ่อจิบได้มีโอกาสเจอนาของหนึ่งนาของหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่หนึ่งมันกลับไปสุขโขทยัยมันไปเหยียบโดนต้นตะเคียนตอนไปเล่นน้า แม่มันก็พาไปหาหมอผีมาหลายที่แต่ก็เชิญออกไม่ได้บางวันตอนตีหนึ่งตีสองหนึ่งมันก็ออกไปรำนอกบ้านจนเด็กๆแถวนั้นกลัวกันหมดจิบไม่รู้ว่าตอนนี้หนึ่งเป็นยังไงบ้างหนึ่งจะหายกลับเป็นปกติเหมือนเดิมหรือยังแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามจิบจะไม่มีวันลืมว่าวันหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนสนิทกัน และความรักที่มีให้กับเพื่อนยังคงเหมือนเดิมเสมอแม้ว่าหนึ่งจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามสัมผัสสยอง